มีปัญหาต่อกันแล้กันแล้วในโลกเนี่ยชีวิตของเรา น, ะนี่วันยี่สิบหกยี่บแปดยี่บเ้าเนี่ยจะมีองค์การป้องกันคนหลงยาเสพติดที่อเาเภอแจ้งข้อจับมาให้เราสองรอยคนมันก็ต้องกระดังนั้นต้องมีงบประมาณต้องมีสถานที่ในเภอแจ้งข้อก็เลือกเอาสถานที่วัดเรามาเป็นสถานที่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 รับผิดชอบการเกิดเจ็เจ็บตายของคนในโลกสร้างสันติสุขสันติภาพเกิดขึ้นด้วยมือห้านิ้ว10บนิ้วของเราเนี่ร่วมมือกันเถอะพวกเราอย่าโทษทิ้งกันกำลังจิตจิตพ้ายวัดป่าสุโขโตอาสาสมัครเขียนติดรถอิติกไว้ให้จ่าสักสินให้ว่าอาสาสมัครสุโขโตรับช่วยเหลือการเกิดแจ็เจ็บตาย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 ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนแท้ๆเราก็ไม่เที่ยงมาเป็นสุขเป็นทุกข์ทำไมกัญนตระย่าพรมฟังไปก็เลยรู้แล้วรู้แล้วเรียกว่าอัญญาสิอัญญาสิแต่ก่อนคนทัญญาคนตัญญาก็รู้แล้วรู้แล้วก็ให้สัพนามนําหน้าว่าอัญญาสิวัตโพก่นตัญโยอัญญาสิวัตโพก่นตัญโยอัญญาลู่แล้วหรืออัญญาลู่แล้วหนอ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 แล้วก็รู้จักห ล, ลกรู้หลบเป็นปีกรู้เหตุเป็นห า, างเกี่ยวข้องเอาชีวิตของผู้คนทั้งหลายอีกช่างติดปาหลีกันบ้าร้อยเส้นเคยหลีกช่างไหมผมตามาทางเขาใหญ่กลับจากไต้หวันนะ่ะข้ามเขาใหญ่มาช้างโอดตัวหนึ่งอันถือพุไม้ใบยืนอยู่ข้างกลางถนนก็มีรถ คนหลังกลุ่มหนึงอยู่ข้างหน้ามัานทางโน้นเราก็จอดตรงนี้ช่างมันอยู่ตรงกลางมันเห็นรถเราก็เลยหมุน ม, มือวิ่งมาใส่รถเออต้าก็บอกว่าอย่า ก, กดแต่นะถอยหลังถอยหลังก็วิ่งเหม่งมือมันหน้าบึ้งเปิงใส่าจะทุบรถเราเข้าไปคิดที่จะไดเราก็บอกว่าถอยถอยอย่ากดแต่อย่าเปิดไฟ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 อย่างพระสุดบงสุกุลได้ยินไหมอา น, นิจาวัตสังฆาดาปัทวาญาธรร ม, มโนปิคิตวานิรุชนติเตสังบูปสัมโมสุขุไปพระไปว่าอะไรเรารู้อะไรได้บุญแล้วหรือโดยที่เสืส่อนบุญได้บุญแล้วแต่ว่าบังสุกุลให้หลงตาอตาอเอาไปกินแล้วได้ได้เงินได้ทองได้เสือ้อได้ผ้าได้คีวอน มันอยู่ตรงไหนอันนี้เจ้า ว, วสาัสังขลราสังขารเกิดขึ้นจาเราลออ่าหนอมันปรุงแต่งเราหนอมือเคียงดีอยู่เดี๋ยวนี้มันหลงมันโกดทําไมไอ้เจ้าก็ยังรักกันอยู่เดี๋ยวนี้มันทะเลาะกันทําไมโอ้นี่เป็นผลงานของสังขารหนอ อ, อะสามีพันยาทะเลาะกันเพื่อนทะเลาะกันพ่อแม่ทะเลาะกับลูก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 เปลียนลองดูว่าจะเป็นผลลัพธภระชาติไปเลยหัด ก, กันตรงนี้ไม่ใช่ไปเจ่งเรื่องใดเราพวกเราสอนกันแบบนี้ไม่สอนให้ท่านมีวุติภาวะได้ตำแหน่งอะไรไม่ใช่เป็นคนธรรมถ้าเป็นความงามงามภายในภายนอกก็จะไม่งามที่เลหลอ่ะแต่ภายในมันงามถ้าเป็นการรวยก็รวยภายในภายนอกก็จะยากจน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 ถ้าไงมานเนี่ยระเจ้าก็ไปก่อนแม่ขององค์เดมันที่จะไปถ้าข้าแม่ตายเน่องค์คดรัมันในจะเป็นนันติรกรรมเป็นบาปหนักไม่มีบุญอะไรใ น, นชาติเนี่ยจะไปช่วยองค์เดรัมานลองดูก็ไปอ่ะก็ไปองค์เดรัมันเห็นจับดอกพืชออกมา <laughs> ถ้าเป็นแม่ไปลังเสียดเป็นบอ่อเลนมาไหวแล้วพูดเถอะแม่ <laughs>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 มาปลอบใจมาปลอบใจผมค่ะบางครั้เศร้ามองที่จุดเลยเห็นตัวแบบตัวกรรมของตนเดิมท ch ี่กรรมากลับใจแล้วนี่เดินตามค้นพระเจ้าไปเข้าเชิดตะวันนอนเราเชิตวันพระเจ้าก็อบรมสั่งสอนน้ำตาร่วงรลอยเสียใจว่าไม่เงยหน้าเลยก็ตลอดเวลาพระเจ้าเทศพระ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 เพตะวันไปบินทบาตอนเช้าวิิงท้องแก่คนตน่งจะไปตักน้ำจำได้องคุริบางไม่ใช่คนกระถ้วยกระแตนะเป็นคนสวยสูงงามนะเพเป็นลูกของเศรษฐีคนตเห็นหญิงคนต่างก็จำได้โอ้พอออกระตู ว, วัดจะบินทบาทจญิงว่านหาบคุไปเ อ, อ่อแข็งแกร่งเห็นเจอก็สะดึงเลย อฮ้ยตกใจ ก, กลัวองค์ขีมันจะคายเลยเสลเสละไปอบน้าเลยองค์ขีมัก็พูดกันว่ายาตัหังพักขินีใช่ไหมใช้ได้สูตรนี้ว่ะเออหลงต่อเอามาเปลี่นคาถาทำให้ออกลูกง่ายแต่ก่อนเป็นหมอตาแยนะมาเสกสรน้ำเอามายาตัวห oh ah, ah, ah, ah, ังพักขินีอลิยายาใช้ทชาโตชาวเนยมาแปลว่าน้องหญิงองค์ขีมัน